ไหลองดับไฟฉายสิคุณหลนกดสวิตดับตามคำสั่งของเขาตั้งแต่เกิดมาเชิวดวุฒก็ยังไม่เคยพบเห็นกับความมืดถึงขนาดนี้แม้ว่าดวงตาทั้งสองจะพยายามเปิดกว้างออกอย่างเต็มที่สภาพของถ้ำที่เข้ามาติดกันอยู่ในนั้นมันมืดสนิท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 ก็จับมือข้างนั้นของเขาไว้ต่างคนต่างบีบกันแน่นคริสอคุณมองเห็นผมไหมนี่ขนาดนี้คุณเห็นผมไหมก็เห็นเหมือนกันแหละคุณแต่เห็นจากจินตนาการนอะไม่ใช่จากจักสุภาพหฮยมือชิบหาย ก็พึมพำเป็นภาษาไทยแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติที่สุดว่าคุณเคยไปหลงติดอยู่ในถ้ำที่ไหนมาก่อนมั่งหรือเปล่าอืมเคยเหมือนกันนะคุณทำในสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์ตอนนั้นอายุสักสิบเอ็ดปีเห็นจะได้มะจะรู้สึกเป็นไงมั่งอ่ะตอนนั้นอ่ะเฮกลัวถ้าตาย ร้องเสียงหลงกับคนช่วยเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินนะคุณขณะนั้นนะพลัดกับเพื่อนเพื่อนที่มุดเข้าไปด้วยกันด้วยสิโชคดีนะที่คนเฝ้าดูแลท่า น, น่ะได้ยินเสียงแล้วเข้ามาช่วยจูงฉันออกไปเขาพูดว่าหนูน่าไม่ควรแยกกับเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันไอ้ถ้ำนี้มันลึกลับผีดุแล้วก็สัตว์ประหลาดน่ากลัวมีมากเขากระซิบกับฉันยิ้มยิ้ม ขณะที่จูงฉันผ่านทางออกมาแล้วก็กระตุกสายเชือกที่ซ่อนไว้ให้ดูปรากฏว่ามีโครงกระดูกที่แขวนอยู่บนหลืบถ้ำหล่นลงมาห้อยตรงเตงฉันนี่ร้องกรีตดกอดขาเขาไว้นั่นคนเฝ้าถ้ำใจดีคนนั้นหัวเราะปลอบโยนฉันพอเขาออกมาส่งให้ยังปากทางออกอีกด้านหนึ่งเขาก็ซื้อไอศครีมโร ล, ลิปปปรอบใจฉันหนึ่งแท่งเขาเป็นชายแก่ผมขาว ร่างสมาร์ทที่เดียวล่ะคุณเชิด ว, วุดหัวเราะในความมืดสนิทเออแล้วคุณคิดว่าคืนนี้จะมีชายแก่ผมขาวร่างสมาร์ทมาช่วยจูงคุณออกไปจากถ้านี้แถมซื้อไอศครีมปอบขวัญให้ที่ปากทางออกอีกไหมละ่ะฉันคิดว่าฉันอาจเห็นเขาอีกสักครั้งก็ได้นะจากจิตใต้สํานึกของความทรงจําครั้งนั้น แต่ไม่ปรารถนาอื่นใดมากไปกว่าเห็นเขามายืนภาวนาสวด ส, ส่งวิญญาณให้กับชั้นในนาทีสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะสิ้นนายทหารหนุ่มดึงหล่อนให้เอ็นเข้ามาหาแล้วโอบกอดไว้รอบไหล่ตกเบาๆที่ต้นแข็งนั้นโถคิดอะไรอย่างนั้นคุณเมื่อลมหายใจยังมีความหวังก็ยังมี แม้จะเป็นความหวังที่เลื่อนลอยสักขนาดไหนก็ตามระหว่างที่ผมนอนหมดสติอยู่นี่คุณทดลองสำรวจถ้ำนี้บ้างแล้วหรื อ, อยังละ่ะนอกจากบากถ้ำบักทางที่เราเข้ามาหลบกันอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ายังมีช่องทางที่จะเดินหรือคลานเข้าไปได้อีกนะคุณหลอนสันศีรษะในเงาหมืด อ, อากับกิริยานเนยเนยหมดอะไรตายอยากไม่ยินดียินร้ายใดๆทั้งสิน้น อยากไม่ได้สำรวจหรือเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิน้นนะคุณฉันไม่กล้าทิ้งคุณขณะที่นอนหมดสติอยู่ก็เฝ้าคอยจนกระทั่งคุณฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละเชิดวุฒหัวเราะ อ, อีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณมากที่ยังอุตส่าห์เป็นห่วงผมทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนจะเกิดเหตุการณ์ชิบหายบาเลยจักขึ้นมานั่นคุณโกรธแค้นผมมากเหการเหมือนจะฆ่าใช้ตายอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวนี้เราก็เห็นหน้ากันอยู่เพียงแค่สองคนแค่นี้ใต้แผ่นพิภพถ้ารอดเราก็รอดด้วยกันและถ้าจะตายก็ตายด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะตายก่อนคุณยกโทษให้ผมนะคริสที่ทำให้คุณอารมณ์ไม่ดีเมื่อตอนนั้นหลนหัวเราะบ้างเบาๆบอกมาว่า ยังอุตส่าห์จำได้อยู่อีกเหรอฉันลืมหมดแล้วคริสตอนนั้นผมทะลึ่งหยาบคายกับคุณมากนะแต่โประจอย่าได้คิดอะไรเลยมันก็เป็นแค่อารมณ์สนุกขนองของผมมากกว่าเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นนะ่ะดูมันตึงเครียดเหลือเกิน just for fun เท่านั้นแหละคุณแล้วตอนนี้ล่ะคุณมันหายตึงเครียดแล้วเหรอ ไม่สำคัญมันแบออกมาให้เห็นชนิดดูแล้วรู้รอดไปแล้วคือเราก็ามาติดถังอยู่ในนี้แน่นอนไม่มีอะไรจะต้องตึงเครียดอีกต่อไปแล้วแนะ่ะโล่งอกไปทีอนาคตเป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆช่วยกันหาทางแก้ไขตอนนี้อนะผมรู้สึ ก, กจิตใจสงบและมั่นคงจะยิ่งกว่าตอนที่เราเดินเสี่ยงกันมาในช่องเขาโดยกําหนดไม่ถูกว่าหินมันจะถมถล่มลงมาทับหัวเมื่อไหร่ซะอีก คริสคุณสกอยังไงบ้างในสภาพที่เหมือนหนูถูกปิดรูตันไม่มีทางออกของเราตอนเนี้ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนกล้าหาญและสติกำลังใจมั่นคงเกินกว่าคิดไวในครั้งแรกมากฉันนึกว่านึกว่านึกว่างคุณว่าไปสิก็นึกว่าพบปลุกให้ฟื้นมีสติขึ้นมาได้ แล้วรู้ตัวว่าเราถูกฝังทั้งเป็นแบบนี้คุณคงขวัญเสียตกใจกลัวตายจนคลุ้มคลั่งแทบเป็นบ้าไปล้สิเออแต่ปรากฏว่าคุณไม่สะทกสะทานอะไรเลยสมน่ะหละที่คุณเป็นลูกผู้ชายชาติทหารเป็นนักผจญภัยอ้าวเพิ่งมารู้ เ, เดี๋ยวนี้แหละคุณคุณนี่คิดมินผมมานานเลยแต่ก็นั้นแหละนะคนเรามันต้องดูกันให้นานๆหน่อย ถึงจะรู้ท่าแท้ของกันและกันสาหรับคุณหรือพวกคุณถ้าไม่แน่จริงหน่วยเนือของคุณก็ไม่ส่งไม่ทำงานชิ้นนี้ผมเองก็เหมือนกันถ้าไม่แน่จริงหน่วยเนือของผมก็คงไม่ส่งมาเช่นกันเอาละตอนนี้เราเห็นจะเป็นเพื่อนตายกันแน่แน่แล้วละ่ะคือตายด้วยกันแต่ก็อย่างที่บอกแล้วล่ะคุณถ้าลมหายใจยังไม่สิ้นความหวังก็ยังมี ผมไม่ต้องการให้คุณทอดอะไรท้อถอยโดยปรงเชื่อว่าเราต้องตายแน่แล้วแล้วก็งอมืองอเท้ารอความตายอยู่แต่เราจะต้องตั้งสติสงบอารมณ์ค่อยๆเพียรพยายามหารูทางต่อไปโดยใช้ปัญญาความสามารถของเราทั้งหมดที่มีอยู่เข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสู้กับเหตุการณ์ขับขันที่เรารเผชิญอยู่ในขณะนี้จนถึงที่สุด เออก็คงเหมือนหนูสองตัวที่ตะเกียกตะกายอยู่ในโพรงคอนกรีตที่ถูกโบกปูนปิดตันหมดนะคือมันจะใช้ฟันกัดแทะคอนกรีตอันหนาแข็งนั้นจนกระทั่งฟันหักหมดโดยไม่อาจทะลุผ่านขึ้นไปสู่โลกภายนอกได้แล้วในที่สุดก็ค่อยๆหมดแรงตายไปอย่างทรมานช้าๆคริสติน่าเอ่ยมาด้วยเสียงชัดเจนแต่แผ่วต่าของหลอน ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนอนหมดอะไรตายอยากรอความตายอยู่เฉยๆแล้วถึงยังไงเราก็ยังมีสติปัญญามากกว่าหนูน่ะเนี่คุณสุภาษิตไทยนะ่ะเขากล่าวไว้ว่าไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวา่าใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสัญถ้าถึงที่ก็ต้องตายวายชีวันไม่มีใครฆ่าฟันก็ตายเอง คุณเคยได้ยินม้่งบ่ะไม่เคยได้ยินแลแปลว่าไงอะคุณเอ้าก็แปล ง, ง่ายๆไงแปลว่าคนเรานะถึถงคราวจะตายนอนบนฟูกอยู่ในบ้านก็ตายแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวต่อให้อยู่ในสถานการณ์เลวร้ายสักขนาดไหนมันก็รอดวันยังค่ล่ะคุณอืมเป็นปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นเครื่องปลุกปลอบใจได้ดีเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะอับจนสิ้นท่าแบบนี้คริสคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งกล้าหาญแต่ขณะนี้สังเกตดูคุณท้อแท้หรือเกินแต่ฉันว่าฉันรู้สึกเฉยเฉยนะ่ะอะไรก็ได้จะตายหรือจะรอดชีวิตฉันไม่มีความหมายอะไรสำหรับตัวเองหรือกับใครหรอกคุณ และเพื่อเม่คุณเห็นว่าฉันหมดอาลัยตายอยากหรืองอมืองอเทา้าเอาไปว่าเรานั่งพักสงบสติอารมณ์เรียกกำลังวังชาของเราให้กลับคืนมาซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาช่วยกันค้นหาลู่ทางก็ได้สำหรับฉันน่ะมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ดูคุณสะบักสะบอมมากเนี่ก็อยากจใจพักอีกสักครู่อ่ะกินยาระงปปรับปวดแล้วก็แก้อักเสบบาดแผลที่หน้าผากคุณซะก่อนดีกว่า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 คราวนี้นะ่ะเป็นคราวที่คุณจะต้องเชื่อฟังฉันมั่งเลยนะตอนนี้นะ่ะมันยังชาอยู่คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะักแต่เมื่อความชามันหายไปมันจะเริ่มปวดระบมแล้วก็อาจจะอักเสบเป็นหนองได้เอาไว้เก่งอย่างอื่นดีกว่าวุธอย่ากเก่งในเรื่องที่มองเห็นบาดแผลฉีกเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้ามีเครื่องเวชภัณฑ์พร้อมแผลขนาดนี้นะ่ะต้องเย็บแล้วคุณ กาจดินรนแสวงหาทางออกที่คุณตั้งความหวังไว้น่ะต้องหมายถึงมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงด้วยไม่ใช่บาเดเจ็บอยู่อย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นการบั่นทอนทาให้คุณไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ต่อไปฉันน่ะไม่ใช่หมอแต่ก็อาจรู้ได้เท่าเๆกับหมอเหมือนกันนายทหารหนุ่มมองหน้าในเงาสลัวของลําไฟฉายที่หลอนเปิดตั้งไว้ยิ้มให้ แล้วรับยามาใส่ปากดื่มน้ำตามเข้าไปขอบคุณคริสขอบคุณครับคุณรอบคอบและวางตัวเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมเสมอนะไม่ว่ากับคุณหรือกับใครฉันก็รอบคอบและเป็นผู้ใหญ่เสมอและวุฒเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นจใจบอกสักกี่ครั้งละ่ะว่าฉันไม่ใช่สาวรุ่นอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นนะเอาละเอาละเป็นนั้นว่ารู้ คุณ น, น่ะสาวใหญ่สาวแกผ่านโลกมามากมายกายกองสารพัดเล่สารพัดกลมาแล้วควรจะเป็นชั้นครูบาอาจารย์เป็นพี่สาวหรือเป็นแม่ของไอ้ไก่อ่อนอย่างผมหลอนยิ้มซึมๆสายหน้าแช่มช้าวางมือทั้งสองลงบนไหล่เขานี่วุฒป่วยการที่เราจะมาทะเลาะหรือผิดใจอะไรกันในภาวะเช่นนี้นะฉันขอโทษ ถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเป็นไงตอนนี้รู้สึกมีกําลังขึ้นบ้างยังเราจะได้ลองช่วยกันงมหาช่องทางดูทางออกด้านหน้านั้มันถูกขินถล่มปิดตันและท่วมขึ้นไปสูงสักกี่สิบเมตรก็ตามแต่เราก็ยังมีลมหายใจกันอยู่ได้สบายสบายแสดงว่ามันจะต้องมีช่องทางถ่ายเทอากาศผ่านเข้าออกได้ไม่งั้นเราหมดออกซิเจนหายใจแล้วก็ตายกันไปนานแล้วล่ะ กล่าวพลงหลอนก็ล้วงซิปโปออกมาจากกระเป๋าเสื้อที่ขาดวิ่นทดลองขีดไฟเขาดูพบประกายไฟแลบแวัดมันก็ลุกติดไส้ของที่จุดบุหรี่อันนั้นทันทีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าภายในโพรงถ้ำยังมีออกซิเจนแม้จะไม่มีปริมาณมากเท่ากับอากาศโลง่โลงๆภายนอกก็ตามนั่นแหละคือความหวังของเราละ่ะคริสเขาบอก นอกจากปืนและเครื่องยังชีพประจำตัวในเป้หลังของคุณอยู่ครบถ้วนไหมแม่นักเคมีฟิสิกสาวก้มหัวลงครบไม่มีอะไรตกหล่นขาดหายไปหรอกอาหารเรั่นประมาณสมือ้อกระสุนสำรองยาจำเป็นชุดติดตัวเชือกปืนพกเชือกกันหนาวเข็มทิศแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆที่มักคุเทศนำทางของเราคนนั้นกาหนดไว้ให้ว่า ควรจะมีอะไรบ้างก่อนที่จะออกเดินทางมาซึ่งมันจะช่วยชีวิตเราไปได้ระยะหนึ่งทีเดียวในภาวะเช่นนี้ถ้างั้นก็สบายแล้วละ่ะคริสของผมก็ยังอยู่ครบเหมือนกันในเป้หลังเนี่ยจะขาดหายไปก็อย่างเดียวแหละคือนาฬิกาข้อมือไม่รู้มันขาดกระเด็นไปตอนไหนคุณหิวมันเนี่ยถ้าหิวเอาเป็นว่าเราจะทานอาหารจากเรซ่นกันก่อน แล้วค่อยงมหาทางกันทีหลังดีไหมฉันยังไม่หิวหรอกคุณะ่ะท้างนั้นก็มาสำรวจเส้นทางกันสักสองชั่วโมงก่อนเป็นไงเผื่อจะพบลู่ทางอะไรบ้างในพรงถ้ำที่บุญคำกรจันบอกไว้ว่าเป็นช่องทางตันนี่ผมก็คิดอย่างคุณเหมือนกันนะปากทางมันปิดตันหมดแล้วแต่เรายังมีอากาศหายใจได้มันก็ต้องแปลว่าไม่น่าจะเป็นทางตันทึบซะทั้งหมด อย่างน้อยอากาศมันไถเทได้เข้ามาตามช่องแตกของหินหรือเส้นทางที่สองคนนั่นไม่เคยรู้มาก่อนเพราะถ้ามันตันทึบจริงๆป่า น, นี้หมดอากาศหายใจไปนานแล้วแต่ผมสงสัยแท้จริงถ้ามีช่องทางที่อากาศไถเทได้แบบนี้ก็ทําไมวิทยุติดต่อของเราจึงเรียกไม่ได้ผลหรือว่าหรือว่าพวกข้างนอกที่ถือวิทยุอยู่ตายกันหมดแล้ว ของคริสติน่าคบคิดขณะที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มส่วนศัก์โดยการฉุดมือให้ยืนตามขึ้นของเชิร์บุตรนี่คุณเมื่อเข้ามาอยู่ในภูมิประเทศแถบนี้นะติเดเรื่องกระแสคลื่นวิทยุมันเอาแน่ไม่ได้หรอกบทมันจะรับได้มันก็รับได้หรือบทมันจะขาดหายไปเฉยๆมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคุณ โดยเรายังค้นหาสาเหตุไม่ได้แน่นอนนอกจากสนิทฐานไว้ว่าบริเวณทั่วไปแถบนี้บางส่วนเป็นโซนที่คลื่นวิทยุใช้ไม่ได้ผลเต็มที่เพราะอาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดประเภทอนโนนแมกนติกโฟสแทรรังสีเข้ามาควบคุมไว้ในบางครั้งบางคราวก็ได้กล่าวจบหล่อนก็เร่งตุ่มวอลลุ่มเต็มที่พร้อมทั้งดึงสายอากาศ ที่ยาวสุดช่วงของมันซึ่งก็ยืดเต็มที่ขึ้นไปได้เพียงแค่สองฟตุตเท่านั้นจากวิทยุรับส่งแบบมือถือขนาดจิว๋วแต่มีพลังรับและส่งสูงจากแบตเตอรี่พิเศษอันสร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับวิทยุจารกรรมชนิดนี้โดยเฉพาะไม่มีสัญญาณหรือเสียงเรียกจากเพื่อนมนุษย์ร่วมกลุ่มที่พัดพรากแยกจากกันไปโดยไม่สามารถเดาเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเลย แต่พอหลอนหมุนปุ่มสเควนซึ่งเป็นตุ่มบังคับให้ไวต่ออาการรับส่งมากที่สุดก็ปรากฏเสียงคลื่นอากาศลั่นอูโครครากสนันไปหมดจึงรีเสียงตามเดิมพลางยักไหลฮึโฮ o p l e หล่อนพึมพำออกมาจากส่วนลึกของลำคอและปิดสวิตตบเสาอากาศหดตำ่ำจมลงไปในเครื่องจนหมดสอดตัวเครื่องเข้าซองหนังที่คาดไว้กับเขนขับ ฝาตามเดิมโดยไม่คิดที่จะนำขึ้นมาเปิดอีกทำไมไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เผื่อเวลาใดเวลาหนึ่งพวกนั้นอาจเรียกมาคุณเชิดบุตรเตือนแต่หล่อนสั่มสีสั่มีจาเป็นนะคุณวิทยุนี่คุณลืมแล้วเหรอว่าคลื่นรับกับคลื่นส่ง น, น้าคนละคลื่นกันถ้ามีใครเรียกมาถึงแม้เราจะปิดเครื่องไว้ก็ตาม สัญญาณจะคลื่นส่งจะมากระทบแร่รับทําให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณออกเตือนขึ้นเองถ้ามีเสียงเรียกดังขึ้นแบบนั้นเราค่อยเปิดสวิตทีหลังเสียงพูดของเขาก็จะออกมาจากลําโพงไม่ต้องเปิดเครื่องสแตนบายไว้เปลืองแบตเตอรี่หรอกคุณอะแล้วว่าแต่เครื่องของคุณที่มอบให้กับบุญคําและจันทร์ไวเ้เถอะคุณแน่ใจเหรอว่าได้อธิบายเขาเข้าใจในวิธีใช้งานอย่างถูกต้องแล้ว มันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ใช่หรือคุณเครื่องไม้เครื่องมือของพวกคุณนะ่ะมันสะดวกทันสมัยไปหมดจนกระทั่งคนโง่ที่สุดก็เข้าใจได้ง่ายๆถ้าเขายังไม่ตายแล้วกดคีย์เรียกมาเมื่อไหร่หากกระแสคลื่นมันไม่ถูกตัดด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแร่ธาตุอะไรที่เรายังค้นไม่พบมันก็จะมาดังเป็นสัญญาณเรียกขึ้นที่เครื่องของเราเองอย่างที่คุณบอกแล้วเอาละส่งไฟฉายของคุณกระบอกนั่นไหมผม เดียใช้อันเดียวกันก็พอของผมสงวนไว้ก่อนแล้วคุณก็คอยเดินตามหลังผมแล้วกันกล่าวจบเขาก็รับไฟฉายเดินป่าจากักรลอนที่ยังเหลือพลังฐ่านแห้งอยู่พอสมควรฉายกราดไปยังทิศทางด้านในซึ่งเห็นเป็นช่องแคบแคบหักเลี้ยวไปตามผ น, นังซอกหินพลางก้าวออกเดินเชิดวุฒิจักใไ้ไรเฟิลสะพายเฉียงใหม่ เชิดบุธจัดให้ไรเฟิลสะพายเฉียงไหลไว้ป้องกันการพลัดหลุดอีกมือหนึ่งชักมีดโบวีจากเอวขึ้นมาถือแทนเพื่อใช้ในการเคาะดูตามโขดหินงอกหินย้อยและผนังหินที่ค่อยๆเดินผ่านไปรวมทั้งใช้ทางด้านสันมีดสับให้เป็นรอยบินกระเทาะทำเป็นเครื่องหมายไว้กันลืมคริสติน่าจะรดเท้าตามหลังเข้ามาอย่างแผ่วเบากระชันชิดชนิดเอื้อมมือถึง ระวังปล่องหรือรูอเหีวตามพื้นนวุฒิอย่าลืมส่องตรวจที่พื้นตรงหน้าที่คุณจะก้าวไปด้วยลนะ่ะอย่าส่องแต่เฉพาะก้อนหินหรือตามผนังเพดานอย่างเดียวล่ะคุณหลนเตือนขึ้นเบาๆขณะที่แตะหลังเขาไว้ก่อนที่เชิดวุฒิจะเริ่มก้มมุดเข้าไปในช่องแคบซึ่งเป็นหนทางบังคับอยู่เส้นทางเดียวเท่าที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้เนื่องจากที่แง่หินกดต่ำลงมาไม่สามารถจะยืนหรือเดินเข้าไป ในสภาพที่ยืดกายเต็มส่วนศัพด์ได้ทั้งนั้นเอางี้เชิดบุตรหยุดยืนนิ่งบอกมาเอาเชือกประจำตัวของคุณมัดติดเอวของผมไว้แล้วโยงปลายอีกด้านหนึ่งไปมัดกับตัวคุณถ้าผมพลาดหลุดลงไปในปล่องโพรงด้านต่ำเพราะไม่ทันสังเกตหรือจะด้วยอุปัตตวเหตุอะไรก็ตามก็ยังพอติดสายเชือกด้านคุณอยู่ จะได้อาศัยยึดช่วยดึงขึ้นมาได้คุณถามฉันแล้วเมื่อกี้นี้ว่าฉันเคยเดินในถ้า ม, มาก่อนหรือเปล่าซึ่งฉันก็ตอบคุณไปแล้วคราวนี้ฉันถามคุณมั่งแล้วกันในคําถามเดียวกันนี่แหละคุณเคยเดินหรือสำรวจถ้ำจริงๆมาก่อนมั่งไหมบุตรถ้าจะให้ตอบเป็นจริงๆก็ไม่เคยเลยคุณผมเดินป่าหลายครั้งแต่ไม่เคยเดินถ้ำสักทีน เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะน่าสนุกอะไรนักในการมุดถด้ำโดยไม่จําเป็นและเท่าที่เดินป่ามาแล้วหลายครั้งก็ไม่เคยมีความจําเป็นที่จะต้องมุดเข้าถ้ำสักทีนอกจากถ้ำตื้นๆกว้างใหญ่ชนิดมองเห็นปากทางออกอยู่ใกล้ๆถ้างั้นเราก็ไม่ชนานาญเท่าๆกันและคุณเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าให้ฉันเดินหน้าคุณคุมไว้ข้างหลัง อ้าวคุณคนเดินนำไปข้างหน้านะมันเสี่ยงกว่าคนเดินตามหลังนะคุณเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดกับคนหน้าก่อนนี่วุฒิฉันไม่ได้คิดจะมาเสี่ยงหรือว่าแสดงความเก่งกล้าสามารถอะไรกับคุณในเรื่องนี้นะคุณแต่เหตุผลมันมีอยู่ว่าตัวฉันนะ่ะมีน้าหนักน้อยกว่าคุณถ้าฉันพลาดหลุดลงเหวคุณก็จะสามารถชุดร่างช่วยเหลือฉันไว้ได้ทัน ในการเดินทางคุมอยู่ด้านหลังแล้วก็มีสายเชือกมาติดกันเช่นที่ว่านี่ถ้าคุณเดินหน้าเวลาคุณพลาดฉันอาจไม่มีแรงพอที่จะยึดคุณไว้ได้และในที่สุดก็จะถูกฉุดให้ร่วงไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเลือกวิธีปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคุณอืมก็เป็นเหตุผลที่พอรับฟังได้นะคุณเชิดบุฒว่าแล้วเบี่ยงตัวเบียดเข้าริมผนังถ้ำอันแคบจากัดนั้น ปลยคริสติน่าแทรกตัวผ่านล้ำไปเบื้องหน้าและส่งเชือกที่ถือเตรียมพร้อมแล้วในมือของหล่อนให้เขาในทหารหนุ่มจัดการมัดติดกระเอวตัวเองก่อนอย่างมั่นคงแล้วเข้ามาประกบหลังหล่อนช่วยผูกมัดเป็นเงื่อนให้จากปลายเชือกอีกด้านคริสติน่ายืนกอดอกเฉยให้เขาโอกแขนทั้งสองจัดการกระสายเชือกรอบเอวกิ่วของหล่อน พอปลูกเสร็จเขาก็สวมกอดหล่อนไว้เบาๆทางเบื้องหลังนั้นนิ่งกันไปชั่วครู่เบื้องหน้าหนทางแคบดำมืดที่ไม่รู้ว่ามีอะไรรอคอยอยู่เบื้องหน้านั้นคริสติน่าลดมือทั้งสองลงมาจับที่อ้อมแขนที่รัดรอบเอวล่อนไว้เอนศีรษะพิงกรไหล่ที่ซ้อนอยู่เบื้องหลังคริสคุณคิดมาก่อนหรือเปล่า คิดอะไรอะคุณคิดว่าจะมาทุกข์ยากมาเผชิญหน้ากับความตายลำพังสองต่อสองแบบนี้ก็สังขออยู่เหมือนกันตั้งแต่เดินอยู่ในช่องเขาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คิดหรอกผมสารภาพรับผิดอีกครั้งครับที่เป็นต้นเหตุตัวการทำให้คุณต้องมาอยู่ในภาวะเช่นนี้ พ้อยเพลงเนื้อร้องอุบาทสูโครกของผมเพลงนั้นะ่ะแทนที่จะสวดมนต์ภาวานาแล้วคอยระวังตัวไว้ดีฮบุ๊ดพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะคุณแล้วก็ไม่มีโอกาสจะแก้ไขมันดีขึ้นอีกแต่ถึงยังไงคุณก็ยังอุตส่าห์จับชั้นโยนเข้ามาในซอกนี้ได้ทันก่อนที่หิงจะหล่นลงมาทับชั้นแหละและคุณเองก็กระโจนตามเขามาร่วมสถานการณ์ทุเรศกับชั้นทันเหมือนกัน ปล่อยฉันได้แล้วอย่ามามัวกอดอย่างนี้เลยทุกนาทีที่ผ่านไปนะ่ะมันหมายถึงโอกาสแห่งการรอดชีวิตของเราถ้าหากว่าโอกาสรอดมันยังพอจะมีอยู่บ้างอย่ามามัวอ้อยอิงถวงเวลาอยู่เลยคุณทั้งนั้นให้ผมแก้ตัวหน่อยได้ไหมเป็นการขอโทษคุณขอโทษเจ้าของเพลงที่แต่งไว้ก่อนด้วยเนื้อร้องที่ไพเราะแล้วก็ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ขอโทษยังไงจากใบหน้าที่แนบกันใกล้ชิดโดยลักษณะโอบกอดทางเบื้องหลังนั้นเชิดวุตกระซิบเป็นเนื้อเพลงเดิมนั้นเบาๆว่า Love me tender, love me sweet out อะต่อยครบรบประโยคสิคุณ Never let me go หล่อนกระซิบตอบประโยคให้ครบเนื้อความท่อนแรกแล้วเบียงริมฝีปากมาสัมผัสกับริมฝีปากเข้าเบาๆครั้งหนึ่งเชิดบุตรกอดไว้แน่นแน่นอนครับผมจัไม่มีวันปล่อยให้คุณจากไปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่นอกจากจะขอติดตามไปทุกขนทุกแห่ง ความตายและนรกอย่างงั้นเหรอบุทใช่ครับแม้แต่ความตายหรือในนรกถ้าเช่นนั้นก็ follow me คริสติน่าปลดแขนเขาออกแล้วเริ่มเคลื่อนที่ไปในช่องทางอันน่าสะพึงกลัวเบื้องหน้านั้นล่อนเป็นคนฉายไฟตรวจทาง และเดินนำไปเบื้องหน้าอย่างระมัดระวังตามโพรงหรือที่ถูกควรจะเรียกว่ารูหินอันมีระดับต่ำชนิดต้องคุ้มตัวเดืนนั้นเฉิดบุตรคืบตามมาเบื้องหลังระยะเอื้อมมือถึงสอดสายสายตาตามลำไฟฉายของคริสที่กราดไปในแนวทิศทางด้านอันแคบจำกัดและเต็มไปด้วยซอกในขณะเดียวกันก็คอยระวังหลังด้วยอย่างหวาดระแวงไม่ไว้วางใจต่อสิ่งใดทั้งสิ้น ผ่านโขดหรือหนอหินตำแหน่งใดที่น่าจะเป็นจุดสำหรับสังเกตได้เขาก็ใช้สันมีดสับเป็นตำหนิไว้ทุกครั้งขนทางที่คืบหน้ากันไปในลักษณะย่องและดอมดอมมองมองนั้นในช่วงแรกก็มีเพดานค่อยๆลดต่ำลงทุกขนาดจนถึงกระบางขนาดต้องคลานกันเข้าไปแต่แล้วชั่วไม่นาน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 บางช่วงก็กว้างขวางขนาดสามสี่เมตรพื้นบางแห่งเป็นหินราบเรียบบางแห่งก็เต็มไปได้วยนอหินหรือหินงอกโผล่แซมขึ้นมามีรูปลักษณะสันฐานต่างๆยอดปราศาสยอดสวนก็มีเป็นรูปสิงสาราศาัพท์ชนิดต่างๆก็มีหรือบางขนาดก็มีลักษณะเหมือนคนยืนทำมึนระ ง, งานเงื้อเงื้ออาวุธเตรียมจะทำร้ายอยู่ชนิดที่พอส่องไฟไปกระทบก็แทบจะพังหักหลัง ทำให้ตกใจขวัญหายกันอยู่บ่อยๆขณะหนึ่งที่คริสติน่าหยุดเหมือนจะสำรวมสติอารมณ์ภายหลังจากที่หลอนสาสตร์ไฟไปประทะกับโคดหินงอกสูงขึ้นมาในระดับเท่าตัวคนอย่างจู่โจมกระทันหันดยการหักเลี้ยวไปตามเส้นทางบังคับภาพนั้นเหมือนคนยืนคอขาดปราศจากหัวเฉิดวุฒเองพอมองไปเห็นก็แทบไงหลัง ฝ่ามือข้างหนึ่งตะครุบตำพระเครื่องรางที่ห้อยติดคออยู่อีกมือหนึ่งเหนียวไหล่แม่เพื่อนสาวคู่ชีพต่างคนต่างยืนตัวแข็งนายทหารหนุ่มมีสิ่งยึดเหนียวและเชื่อมั่นเคารพ บ, บูชาโดยเชื่อในอำนาจพระพุทธคุณจึงสามารถตั้งสติได้เร็วกว่าคริสซึ่งมีแต่เฉพาะความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวเขาหัวรอขึ้นเบาๆตกไหลอน ความมืดและแสงไฟฉายที่อ่อนกำลังเต็มทีของคุณน่ะมันสร้างภาพมายาลวงตาให้เรามองเห็นเป็นภาพไปได้ต่างๆนั้นนะคุณสติไวด้ดีคริสเมื่อผมยังอยู่ใกล้คุณยังงี้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะภาพนั้นน่ากลัวกว่าภาพโครงกระดูกที่คนเฝ้าถ้ำในดิสนีย์แลนด์แกล้งกระตุกให้ร่วงลงมาหลอกฉันเมื่อตอนเด็กๆซะอีกนะหลอนกระิกแล้วมันก็เป็นความจริง เพราะหินก้อนที่ประจันหน้าบุคคลทั้งสองอยู่ในขณะ น, นี้มันมองไม่ผิดอะไรกับอสุรกายที่มีร่างกายครบทุกส่วนจะขาดหายไปก็เพียงอย่างเดียวคือศีสับเหมือนคนถูกตัดคอฉะนั้นคริสจำไว้อย่างเดียวนะคุณในภาวะเช่นนี้อะไรก็ตามที่มองเห็นว่าน่ากลัวที่สุดเราจะต้องเข้าไปใกล้มันไม่ใช่เพ่นหนี้ ตอ น, นี่คุณไปอยู่ข้างหลังผมก่อนแล้วกันผมจะเข้าไปพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันเป็นแต่เพียงหน่อหินที่งอกตามธรรมชาติเท่านั้นเองกล่าวจบเขาก็รั้งตัวหล่อนให้ไปอยู่ด้านหลังตนเองภาวนาคาถาอยู่ในใจแล้วก็เดินตรงเข้าไปจนชิดฉายไฟส่องดูในระยะใกล้พร้อมทั้งเอามีดโบวีกรีดกระทบปรากฏเสียงโลหะสัมผัสดังแ ก, กระ คริสต e ิน่ากัดริมฝีปากแน่นค่อยๆก้าวตามหลังเขาเข้ามาเห็นไหมคุณยห็นแท้ๆเช่ยบางทีธรรมชาติก็อุตริในการสร้างสรรค์เหมือนกันแหละเขาบอกยิ้มยิ้มแล้วแงนขึ้นพูดกับร่างอันปราศจากศีรษะที่ยืนทรงานสูงขนาดหกฟุตเศษนั้นเป็นการทักทายว่าง่ายเพื่อน ยืนเฝ้าถ้ำอยู่ตรงนี้มานานกี่มื่นกี่แสนปีแล้วปากเขาพูดไปอย่างหนึ่งให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่ในใจอย่างน้อยก็ท่องอิติปิโสถอยหลังสงจิตน้อมระลึกไปถึงหมดทุกองของเกจิอาจารย์ที่ตนเคยเคารพบูชาฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อขออำนาจบารมีคุ้มครองป้องภยัยอย่างน้อยที่สุดเชิดวุฒก็รู้สึกตัวเองดีว่า ที่เขาทำตัวเป็นผู้กล้าหาญมีสติมั่นคงได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะมีคริสผู้ซึ่งเขาถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าได้ร่วมสถานการณ์อยู่ด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องวางตัวเองให้เป็นที่อบอุ่นเป็นหลักประกันของหล่อนอย่างดีที่สุดในสภาพที่เผชิญอยู่นี้ถ้าลำพังตัวเขามาหินจังหน้าเขาคนเดียวป่านนี้คงวิ่งแจ่นไปไม่รู้ทิศทางดีไม่ดีชนโขดหินที่งอกอยู่ระเกะระกะ ขอหากตายไปแล้วก็ไม่รู้อาการของเขาเช่นนั้นทำให้แม่นักเคมีฟิสิกสาวเลือดอเมริกันผสมตุรกีเริ่มขวัญดีขึ้นหลอนจะรุดเท้าเข้ามาจนชิดหินลักษณะน่ากลัวนั้นแล้วเอื้อมมือไปแตะที่บริเวณอันเป็นแขนซึ่งห้อยอยู่ข้างกายมุดคราวนี้เสียงเรียกของหล่อนแหบพราดอืมอะไรคริส ลองแตะดูที่หินประหลาดก้อนนี้แล้วดูสิว่าคุณจะมีความรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่าเชิดพุทธกัดริมฝีปากเบาๆเอื้อมมือไปแตะอีกครั้งบอกว่าก็หินแข็งกระด้างนั่นแหละแล้วคุณว่ามันเป็นไงพิสติน่าเอาหลังมือขยี้จมูกมีอาการครุ่นคิดพิษวงหนักหันไปแตะสัมผัสกับหินงอกก้อนอื่นๆที่อยู่ใกล้ แล้วหมุนตัวกลับมาแตะหินก้อนอันเป็นรูปคนหัวขาดนั่นอีกครั้งนี่คุณไม่รู้สึกเหมือนฉันเลยเหรอหินรอบด้านของเราขนาดนี้นะ่ะมันเย็นเฉียบราวกับน้าแข็งแต่หินก้อนนี้มีอุณหภูมิผิดไปมันอุ่นยังไงพิกกลนอยู่นะบุตรขุ้คขนในเรือนกายของเชิดบุตรเริ่มจะลุกชันเป็นระลอกขึ้นริว้รว เขาทดลองคลำดูหินก้อนอื่นๆใกล้เคียงแล้วหันมาแตะหินก้อนนั้นอีกผมไม่เห็นรู้สึกเหมือนกับคุณเลยคริสถ้ามันจะเย็นมันก็เย็นเท่าๆกันนั่นแหละเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันบรรยากาศอย่างเดียวกันหรือถ้ามันจะอุ่นมันก็อุ่นเท่าๆกันไเห็นผิดกันสักนิดปากเขาพูดกลบเกลื่อนน้ำเสียงปกติไปเช่นนั้นเองแต่ความจริงนั้น ราสาสัมผัสทางกายก็ไม่ผิดอะไรกับคริสทุกอย่างหินรอบด้านเย็นเฉียบบานก้อนน้ำแข็งจริงๆแต่ถ้าว่าหินรูปหัวคนที่มันขาดยืนรังงานอยู่นั่นมันดูอุ่นผิดสังเกตไปมากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เสียงพูดในลักษณะแผ่วเบากระซิบกระซาบของทั้งสองแม้จะเบาสักเพียงใดก็ตาม มันสะท้อนพื้นพำพื้นพำไปทั่วเราก็มีใครมกระซิบอยู่รอบรอบกายแทกไปหมดแม่ผมทองน่ต้องนับว่าเป็นคนที่กล้าหาญจิตประสาทแข็งผิดเพศเมื่อเขาบอกมาเช่นนั้นหล่อนก็ไม่กล่าวโต้เถียงเช่นไรอีกเพียงแต่ยืนจ้องหินก้อนนั้นขม็งและจับไฟในมือของเขาสองตั้งแต่ยอดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นชัดว่าเป็นส่วนคออันปราศจากสีสัก ไล่ระลงมาที่สองไหล่อันเป็นหนอกราวกับลูกมะพร้าวได้ขนาดกันพอดีทั้งสองข้างสูงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามลักษณะเบลยโลง่งต่าลงมาที่เอวคอดกลางลำตัวนั้นมีลักษณะเหมือนนุ่งเตียวหยักรังแบบถกขมินไว้ท่อนลําขามีแม้กระทั่งส่วนอันน่าพิจารณาได้ว่าเป็นหัวเขา่าแต่สําหรับส่วนเท้านั้น ฝังจมหายไปในพื้นหินด้านล่างแขนทั้งสองมีสันฐานของฝ่ามือและนิว้วเพียงแต่ว่าติด ก, กันเป็นพืชเท่านั้นฉันไม่คิดว่าธรรมชาติจะสร้างหินก้อนนี้ขึ้นมาในรูปลักษณะของมนุษย์หัวขาดได้ละเอียดถึงเพียงนี้นะและถ้าใจฉันลงความเห็นก็คือมันถูกแกะสลักเอาไว้อย่างเจตนาหล่นคลางออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเอง โอ้คุณก็ใครที่ไหนล่ะจะอุตรีเข้ามาแกะสลักหินไว้ในถ้หรือขนาดนี้แล้วทาเพื่ออะไรตั้งแต่เดินสำรวจกันเข้ามานี่ผมยังไม่เห็นร่องรอยว่าเคยมีมนุษย์คนไหนไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดผ่านเข้ามาในช่องทางที่เราผ่านกันเข้ามานี่เลยเดีย๋ยวว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ทุกชนิดขนาดมาแมลงผมก็เชื่อว่าไม่มีอ่ะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโพรงถ้านี้แน่นอนมันเงียบปะคุณ มันเงียบใช่จนได้ยินเสียงแห่งความเงียบคือไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนอกจากเสียงของสัตว์มนุษย์ที่พลัดหลงก็มาเพียงแค่สองตัวเท่านั้นะคือคุณกับผมแหละคริสติน่าค่อยๆเดินวนอ้อมไปทางด้านหลังของหินหน้ากลัวก้อนนั้นใช้ไฟฉายสองตรวจอีกแล้วอุทานอะไรออกมาเบาๆคาหนึ่งเชิดพุฒเพ่นทั่วเดียวก็ไปถึงตัวเห็นหล่อนยกมือนึงปิดปากตัวเองไว้ อีกมือหนึ่งกระดกลำไฟฉายส่องให้เขาดูไปยังบริเวณต้นคอด้านหลังของหินนั้นเชิดบุตก็ยืนจังง้างไปอีกภาพที่เห็นทางด้านหลังของโคตหินลักษณะวิกลวิการนั้นคือน้ำที่ไหลแผวจางรินรินจากยอดที่แลเห็นว่ากุดด้วนไปมันไหลปริ่มไม่ขาดสายเป็นริ้วบางๆลงมาตามลำตัวลงสู่พื้น เหมือนสายเลือดที่หลังรินช้าๆจากบาดแผลถูกตัดคอแล้วคงจะไหลแผ่วอยู่เช่นนี้มานานแสนนานแล้วจนกระทั่งมีคราบตะไคร่จับเป็นทางตามร่องน้ำที่ไหลลงมานายทหารหนุ่มก้มเข้าไปฉายไฟตรวจ ด, ดูรอยน้ำที่รินปริมปริ ม, ปรมเป็นทางลงไปสู่พื้นเบื้องล่างนั้นจนเกือบชิดแล้วใช้นิ้วค่อยๆแตะสัมผัส บอกได้ทันทีว่ามันเป็นสายน้ำอุ่นเขาเอามาขยี้กันนิ้วยกขึ้นดมซึ่งก็ปราศจากกลิ่นใดๆทั้งสิ้นจึงเอานิ้วไปรองอีกแล้วนามาแตะที่ลิ้นคริสขณะนั้นหันไปจ้องหน้าเขาขมงิงถ้าเป็นเลือดของมิสเตอร์หัวขาดนี่ก็เป็นเลือดที่จืดสนิทแบบน้ำสะอาดธรรมดาแต่อาจจะมีหินปูนปนอยู่ไม่น้อยทีเดียว ามธรรมชาติของน้ำซึมใต้ภูเขาเชิดพุดธเอ่ยขึ้นแล้วส่องไล่ระลงมาตามแนวน้ำไหลนั้นก็พบว่าเมื่อมันไหลลงมาถึงพื้นแล้วก็ไหลต่อไปสู่ตำแหน่งลาดตำํำและไปขังเป็นแอ่งน้ำเล็กๆตามลักษณะของพื้นที่ดูคล้ายบ่อขนมครกรูปกลมรีขนาดกว้างยาวไม่เกินสองตารางฟุตส่วนที่ลึกที่สุดตรงกลาง แค่ไม่เกินฟุตเดียวเท่านั้นตามแนวทางที่น้ำได้ไหลลงไปสู่แอ่งน้ำลื่นเป็นคราบตะไคร่ระยะห่างจากตำแหน่งที่ร่างหินยืนอยู่เพียงวาเดียวทั้งสองค่อยๆก้าวไปยังตำแหน่งแอ่งน้ำแคบแค บ, แคบนั้นแล้วซุดกายลงนั่งพิจารณาอย่างมึนงงคริสติน่ า, าพับแขนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งของหลอนตลบขึ้นแล้วทดลองแย่มือลงไปในแอ่งน้า หลอนคลาควานไปรอบๆก้นของแองซึ่งก็พบว่ามันเป็นหินเหมือนเหมือนกับบริเวณพื้นหินทั่วๆไปภายในถ้ำนั่นเองส่วนตาก็ยังมองจับไปยังร่างที่ยืนระงานอันเป็นแหล่งที่มาของสายน้ำการไหลลงมารวมตัวอยู่ในแอ่งเบาเช่จนไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยหลอนวักน้ำขึ้นมาดมแล้วแตะที่เรียมฝีปากชิมรสดูบ้าง ข้าหน้ายัางชะงนชงายอยู่เช่นนั้นเป็นไงคุณว่าน้ำอะไรเชิดวุฒกระซิบถามคริสติน่าป้ายแขนเสื้อเช็ดริมฝีปากแปลกแปลกจริงๆเสียงแม่ผมทองพึมพำออกมาน้ำไหลลงมาจากยอดหินอันมองดูเหมือนคอที่ถูกตัดขาดนั่น แล้วก็มารวมขังเป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงตำแหน่งนี้เป็นน้ำสะอาดของกระแสทานใต้ภูเขาแต่ก็มีอุณหภูมิผิดไปเป็นกระแสน้ำร้อนที่น่าจะไหลผ่านกรรมถันฉันรู้สึกว่าจะได้กลิ่นกรรมถันเจืออยู่ด้วยบางๆเอคุณทัานนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมบนยอดหินตำแหน่งที่ดูเหมือนคอคนถูกตัดขาดนะ่ เป็นตำแหน่งตาน้ำซึมหรือน้ำที่พุขึ้นมาอย่างแผ่วจางที่สุดโดยมีเส้นทางที่น้ำจะพุขึ้นอยู่ทางเดียวตรงหินสูงรูปคนไม่มีหัวแล้วก็เป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปีมาแล้วพอไหลรินลงมาถึงพื้นก็มารวมตัวกันอยู่ที่แอ่งแคบๆนี่ใช่ใช่รูปการมันก็ทำให้สันนิษฐานได้ตามที่คุณบอกนั่นแหละวุฒ แต่ทำไมถึงน้ำในแองนี่ยังมีระดับอยู่แค่นี้เองการสะสมน้ำไว้เป็นเวลานานซึ่งมันจะนานมาแล้วสักเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบได้ทำไมถึงไม่มีการล้นแองไหลไปที่อื่นมั่งคงมีแต่แองอันแคบจำกัดเพียงแค่นี้รอรับน้ำอยู่ในปริมาณเท่าเดิมตลอดการล้ว ม, มาตรวจดูให้รอบๆแองน้ำนี่ซิคุณคุณจะไม่พบว่าน้ำ ล้นเอ่อไหลไปทางไหนเรายังไม่อาจตรวจดูบริเวณก้นแอ่งหรือตามขอบแอ่งได้ละเอียดมากนักหรอกคุณมันอาจจะมีรอยรั่วซึมหรือช่องทางที่จะระบายน้ําเหล่านี้ไปใต้พื้นถ้าอีกทีก็ได้แล้วอัตราการดูดซึมหายไปนะ่ะก็อาจจะเป็นอัตราเบาบางขนาดเดียวกับปริมาณของน้ําที่ไหลรินลงมาจากยอดหินนั่นเพราะฉะนั้นน้ําในแอ่งจึงไม่มีโอกาสจะล้นเท่าเท่ากับไม่มีวันแห้งขอด จะกว่าน้ำร้อนที่พุขึ้นมานั้นมันจะหยุดไหลคริสไอ้น้ำที่พุลงมาจากหินก้อนนั้นนะ่ะนะเราพิสูจน์ได้แล้วว่าจะต้องมาจากใต้บาดาลที่ต่ำลงไปและมาจากแหล่งน้ำร้อนเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นข้อตอบปัญหาของคุณเมตกี้นี้ได้หรือยังล่ะว่าเหตุใดหินก้อนนั้นจะมีความอุ่นผิดไปจากหินก้อนอื่น ก็เพราะว่ามันมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านหล่อเลี้ยงอยู่ไงคริสติน่าเอามือจับปลายคางสบัดหน้าอย่างไม่ไวายมึนงงมันก็คงจะเป็นอย่างที่คุณพูดละวุธแต่หลอนยิ้มไม่สนิทนักขณะที่มองศบตาเขาในเงาสลัวแล้วเหลือไปทางหินนั่นอีกครั้งฉันรู้สึกไม่สบายใจยังไงพี่กลนะบุต ในรูปร่างลักษณะของหินอันเป็นตำแหน่งน้ำพุร้อนไหลปริ่มปริมลงมานั่นเออคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องการจัดสรรของธรรมชาติแต่ที่แน่แนก็คืออย่างน้อยที่สุดเราได้แหล่งน้ำกินแล้วละ่ะไอ้เกลอือหัวขาดนั่นเขาให้น้ำเราประทังชีพขณะที่ติดอยู่ในถ้านี่แหละก็นับว่าเป็นความการุณาอย่างยิ่ง้าไมงั้นน้าสำรองที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีของเราหมด เราก็จะแย่กล่าวจบโดยไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้นเชิดวุธร่วงปเป้หลังของเขาหยิบกระติกน้ำออกมากรอกน้ำในแอ่งนั้นใส่จนเต็มปิดฝาไว้แล้วบอกให้หลอนสรงกระติกของหลอนมาจัดการบรรจุเต็มเปียมอีกพอเต็มก็ส่งคืนตัวเองใช้มือทั้งสองกอบวักน้ำขึ้นลูบหน้าและลาคอความอบอุ่นและรสจืดสนิทของมัน ทำไม่รู้สึกแช่มชื่นมีกำลังขึ้นบ้างคริสตินานั้นคงซุกคุกเขา่ามองดูอาการของเขาเฉยเฉิดบุดถอนใจเฮือกอย่างปลอดโปรงใจไปเปล่าหนึ่งควักผ้าขนหนูออกมาเช็ดหน้าพอเงยขึ้นยังเห็นหล่อนนั่งมองดูเขาเงียบเฉย อ, อยู่อย่างนั้นก็บอกมาเสียงปนหัวเราะว่าเอาคุณรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรลังเลอยู่บางอย่างเกกัน้ำในแองนี่นา ah, คริส รับรองดื่มกินได้ไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกหรือจะรอดูอาการผมก่อนสักครู่แต่ผมไม่ลงชักดิ้นชักงอแล้วคุณค่อยดื่มกินก็ได้นะคริสติน่ายิ้มสิทสั่สันหน้าแช่มช้าไม่ใช่ฉันจะต้องรอดูอาการให้คุณทดลองก่อนนอกบุษเพรถึงยังไงเราก็ต้องตายด้วยกันอยู่แล้วจะยิ่งเป็นการเลวร้ายสำหรับฉันอย่างที่สุดถ้าหากว่าเห็นคุณชักดิ้นชักงอตายไปต่อหน้าต่อตาฉัน เราดื่มน้ำเป็นพิษแล้วก็ทิ้งฉันไว้คนเดียวมันเพียงแต่ว่าฉันยังไม่รู้สึกหิวเท่านั้นก็เป็นการดีแล้วที่คุณช่วยบรรจุกระติกไว้ให้ฉันด้วยเราช่วยกันค้นหาลู่ทางต่อไปเถอะหรืออย่างน้อยก็ไปเสพ พ, พ้นจากที่นี่ฉันรู้สึกจิตใจไม่ค่อยจะดีนะหล่อนพูดเพียงแค่นั้นแล้วบุยปากไปทางก้อนหินรูปร่างไม่เป็นมงคลต่อสายตาเชิด ว, วุฒเข้าใจดี พยักหน้าพร้อมกับลุกขึ้นยืนส่งมือไปให้หล่อนแล้วฉุดให้ยืนตามขึ้นมาด้วยต่างกราดลําไฟใา้สํารวจไปตามผนังอันมีลักษณะเป็นคูหาค่อนข้างกว้างเป็นรูปฟงกลมนั้นมีช่องทางที่จะทะลุไปได้อีก3ทาง3ด้านคือด้านซ้ายมือด้านหลังของท่อนหินรูปคนหัวขาดแล้วก็ด้านขวามือ ยกเว้นจากช่องที่เดินเข้ามาด้วยกันก่อนแล้วแล้วมาผูออกอยังตำแหน่งนี้ต่างหารือกันว่าจะเลือกเดินเข้าไปทางช่องไหนระหว่างสามเส้นทางที่เห็นอยู่นั้นอ่ะผมให้คุณเลือกก่อนแล้วกันเฉิดบุตรว่าฉันเลือกหรือคุณเลือกผลมันก็ออกมาอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะถ้าไปพบทางตันครับเราก็ต้องถอยหลังกลับแล้วก็ย้อนมาตั้งต้นใหม่ ดวพยายามไปทีละช่องทางจนครบซึ่งยังไม่รู้ว่าจะกินเวลาสักเท่าไหร่สำหรับช่องทางเหล่านี้ในการที่เราจะดันดนสมซานมุดกันเข้าไปก็ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่เราจะกำหนดได้หรอกนอกจากการเสี่ยงเดาสุ่มไปตามเรื่องจากบากทางที่หินถล่มมาอุดตันนู่นเรางมกันมาแล้วราวชั่วโมงเศษเราจะลองงมกันอีกชั่วโมงเดียว ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าก็พักนอนเอาแรงกันก่อนนะตกลงไหมคุณคริสติน่าพยักหน้าแทนคําตอบเชิดบุตรชี้ไปทางช่องซ้ายมือก่อนเป็นการบอกบ้าว่านั่นคือทางแรกที่จะเลือกเดินโดยหนทางที่แคบขนาดเดินเรียงเดี่ยวเข้าไปได้ชนิดตัวรีบนั้นการเดินเต็มไปได้วยความยากเย็น ผิดไปจากทุกแห่งที่ผ่านกันมาพโพรงก่อนแล้วเพราะนอกจากผนังจะบีบแคบพื้นก็ยังลุ่มลุ่มดนดนๆดมีหินงอกขวางเป็นอุปสรรคเต็มไปหมดมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักซิกแซกอยู่สองมุมเท่านั้นก็มาพบกับผนังหินตันทึบไม่มีหนทางจะไปได้อีกหนึ่งประตูตายแล้วนะถอยคริส เชิดวุฒิส ก, กิดหลังบอกขณะที่แม่ผมทองยืนมองดูผนังหินตันที่บังหน้าอยู่อย่างท้อแท้เส้นทางตันนั้นใช้เวลา ง, งมเข้าและถอยออกมายัางถงกว้างที่เก่าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วด้วยความมานะพยายามอย่างไม่ลดละทั้งสองเริ่มบ่ายหน้าเข้าไปยังช่องด้านหลังของท่อนหินรูปคนหัวขาดเป็นช่องที่สอง ซึ่งปากทางมีค้าวเหมือนกับว่ามันน่าจะนำทะลุใต้ภูเขาไปได้ไกลลิฟเพราะพื้นเรียบแล้วช่องทางเดินกว้างประมาณหนึ่งวาแต่พอเดินตรงแนวเข้าไปในเส้นทางบีบบังคับได้เพียงแค่ไม่เกิน29เท่านั้นก็ปรากฏว่าเส้นทางบีบตัวเองสอบแคบและเพดานก็ลดไม้หยลงทุกขณะกระทั่งในที่สุด ก็ไม่สามารถจะแทรกายผ่านเข้าไปได้เพราะแม้จะมีทางลึกต่อไปก็จริงแต่มันหดความกว้างลงเหลือแค่ฟุตเดียวซ้ำเมื่อฉายไฟส่องเข้าไปก็เห็นเรียวหน้ารูดำมืดซึ่งถ้าหากจะมุดเข้าไปให้ถึงที่สุดก็ต้องแปลว่าต้องจำแรงตัวเป็นงูให้ได้เท่านั้นเฮ <Here. S 1> คริสติน่าสะบัออกมาอย่างหัวเสียเอากาปั้นทุบผนังหิน นคคริสขอร้องอะไรคุณอย่างได้ไหมอย่าสบทอย่าพรุษสว่าด่าทออะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเปล่าคำหยาบไอ้นรกน่ะไม่ต้องไปเรียกหาหมารอคุณเพราะขณะนี้มันก็ครอบคลุมเราอยู่แล้วละ่ะเขาลูบหลังอย่างปลุกปลอบและกระซิบอ่อนโยนทำไมละวุธททำไมฉันถึงด่าไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันอยากจะด่าแม้กระทั่งพระเจ้านะ รนสะบัดเสียงเกือบจะเป็นตวาดอารมณ์หงุดหงิดเต็มที่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆแล้วก็เชื่อผมเถอะอย่าใช้วาจากิริยาอันไม่สมควรในภาวะที่เราตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้พระเจ้าของคุณและพระเจ้าของผมนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ถ้าหากว่าเราทั้งสองจะถึงการสิ้นสุดลงก็ขอให้เป็นการสิ้นสุดลงด้วยความเมตตาการณุณาของพระองค์เถอะครับ เพราะอย่างน้อยวิญญาณของเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปสู่สุขติพกนี่คุณเชื่อเชื่อในโชคลางด้วยเหรอบุตรอย่าว่าแต่ผมเลยคริสถึงคุณเองก็เชื่อในโชคลางไม่งั้นตอนที่คุณหยิบไม่สั้นจากมือของระพินขึ้นมาทําไมคุณถึงรู้ละ่ะว่านั่นเป็นลางร้ายและสําหรับผม เพียงแค่ขนองเรื่อตัวร้องเพลงลามกหยาบคายเพื่อล้อคุณเล่นออกไปเท่านั้นแทนที่จะเข้าช่องทางอันถูกต้องตามที่บุญคำกระจันชี้บอกไว้เราก็ต้องมาหลงพลัดกับเขาทั้งสองโดยมุดเข้าโพรงผิดทำให้ต้องมาอับจนกันอยู่อย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอันจะดนบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายแก่ชีวิตมนุษย์โลกมีจริงนะคุณ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะบูชาศักการะหรือว่าดูหมิ่นท้าทายไปถอยอีกตามเคยคุณคราวนี้ก็เหลืออยู่แค่ช่องทางเดียวแล้วคือช่องสุดท้ายทางขวามือสุดกล่าวจบเขาก็รั้งเอวแม่นักเคมีฟิสิกสาวผู้ร่วมชะตากรรมให้ถอยหลังกลับทางเดิมอีกครั้งแปดสิบจุดเริ่มต้น ย้อนกลับมาที่โถงกลางใจกลางถ้ำตําแหน่งหินลักษณะคนหัวขาดอีกครั้งแล้วคราวนี้ขนทางเลือกที่เหลือก็มีอยู่แค่ทางเดียวคือช่องทางแคบแคบด้านขวามือสุดเมื่อหันหน้าเข้าเผชิญกับก้อนหินประหลาดก้อนนั้นโดยไม่นับช่องทางด้านหลังที่สมซานกันเข้ามาในตอนแรกเพราะมันหมายถึงนําออกไปสู่จุดปากทางซึ่งเ็นหลุหินถล่มกันเข้ามาอันบัดนี้ ตันทึบไปแล้วอ่อนระห่วยรวยแรงกันเต็มทีแม้แต่จะทรงตัวยืนอยู่ก็ยังแทบไม่ไหวคริสติน่าซุดตัวหัวลงไปนั่งอยู่ริมบ่อน้ำแบบคนหมดกำลังไข่ข้อแล้วพังภาพลงคว่ำหน้าเอาริมฝีปากจุ่มลงไปในแอ่งน้ำนั้นดูดดื่มกินแบบเดียวกับสัตว์ป่าจากนั้นก็นอนพักนิ่งๆในลักษณะคว่ำหน้าเช่นนั้น โดยเอาศีรษะวางไว้กับท่อนแขนเชอด ว, วุธย่อนกายลงใกล้ๆเขาเองต่อให้ชะกันแข็งแรงขนาดไหนขณะนี้ก็เต็มกลืนเช่นกันเอื้อมมือไปรูปศีรษะหลอนอย่างสงสารคุณคงไม่ไหวแล้วล่ะคริสเขาเอ่ยขึ้นแหบเหือดขอขอพักสัก5้านาทีวุฒ เรามาพยายามกันใหม่ตรงช่องทางสุดท้ายนั้นหลอนตอบในกระแสเสียงเดียวกันหลับตาคริสผมคิดว่าถ้ายังไงแล้วเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าดีไหมเส้นทางที่เหลือให้เลือกสุดท้ายช่องนั้นน่ะเอาไว้ค่อยพยายามกันอีกครั้งภายหลังจากหลับกันสักตื่น ตอนนี้ถึงจะดิ้นรนไปสักขนาดไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้หรอกโลกภายนอกขนาดนี้จะเป็นเวลากลางคืนแล้วเดี๋ยวสะบักสะบอมกันมันหนักเหลือเกินคริสติน่าไม่ตอบนอนคว่ำหน้าหายใจรวยๆแล้วหลับตาอยู่เช่นนั้นเฉิดวุธวางไรเฟิลประจำตัวลงเหยียดเท้ายาวออกไปเอาหลังพิงก้อนหิน ต่างคนต่างจมกันอยู่ในความเงียบของความเงียบโดยไม่ได้เอ่ยคำใดกันขึ้นเลยเพราะต่างปล่อยร่างกายให้อยู่ในสภาพพักเขาเองก็หลับตาลงเช่นกันและดับไฟฉายเดินทางสภาพรอบด้านดำสนิทเหมือนภายในห้องล้างฟิล์มซึ่งไม่ได้เปิดไฟเลยตามเดิมบัดนี้นายทหารหนุ่มหวนคิดไปถึงคาพูดของสมุนขวาของระพิน ตาเท่าคูบุญคำซึ่งกล่าวย้ําเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างที่เดินกันเข้ามาในซ่องช่องช่องเขาว่านายทหารคอยระวังให้ดีนะมีช่องโพรงอยู่ในเชิงผาเห็นอยู่สามช่องกฏจริงแต่อีกสองช่องนะ่ะมันเป็นรูตันไม่มีทางออกจะมีทางออกได้ช่องเดียวเท่านั้นแหละ บุญคำกระจันถูกเข้าไปตรงช่องไหนนายทหารกันไหนแม่มก็ตามเข้าไปในช่องนั้นให้ได้อย่าแยกไปทั้งอื่นเจ้านาเสียงนั้นยังแว่วกล้องอยู่ในสมองของเขานะักบัตรนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะมาค้านคำพูดคือคำบอกเล่าสั่งเตือนของบุญคำเพราะเขามองไม่เห็นทางออกเลยเมื่อมาติดอยู่ในโพรง ที่ถล่มเข้ามาผิดนี้ชีวิตรอดมาได้ชั่วขนาดหนึ่งก่อนเพียงแค่หลบก้อนหินที่จะหล่นลงมากรบทับเท่านั้นความหวังแห่งการหลุดรอดออกไปจากช่องทางที่ถูกอุดตันริบบรีเต็มทีด้วยจะพูดว่าไม่มีเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยออกมาได้เท่านั้นตัวเองเข้าพวัง เคลิ้มเคลิ้มไปชั่วขณะแล้วก็สะดึ่งลืมตาขึ้นมาในความมืดกะว่าทั้งเขาและคริสคงจะนิ่งกันไปกว่าห้านาทีแล้วเอามือคลำพบเนินตะโพกของแม่เพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ร้ายรู้สึกว่ายังนอนพังภาพอยู่เช่นนั้นทดลองเขย่าปลุกเบาๆร่อนไม่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวใดๆทั้งสิน้น คริสติน่าคงจะม้อยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียขีดสุดเมื่อก้มลงไปใกล้ก็พอจะสัมผัสได้กระลมหายใจรวยๆของหล่อนแสดงว่าไม่มีอะไรผิดปกติเว้นแต่สภาพทางร่างกายทนไม่ไหวดับเครื่องไปชั่วคราวเท่านั้นโดยไม่ปลุกหรือรบกวนใดๆทั้งสิน้นนอกจากปล่อยให้หลอนนอนพักอยู่เช่นนั้นเชิดวุตรฉายไฟลวงเอาสเสบียงเรั่นออกมา โดยเลือกประเภทสุขซึ่งมีเชื้อเพลิงสำหรับอุ่นในกระป๋องของมันเองในตอนล่างใช้เครื่องมือเปิดออกทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและด้านบนจากนั้นก็จุดไหล่เตอร์ไฟจากสำลีอัดแน่นชุบเคมีก็ลุกเขียวช่วยให้เกิดความสว่างขึ้นรางๆยังบริเวณที่พักกันอยู่ขนาดเขาจุดไฟอุ่นอาหารเรั่นแล้วง่วนทำอะไ ร, รกุกกักกุกกักอยู่ใกล้ๆตัว คริสติน่าก็ยังไม่รู้สึกตัวหลนอนหนุนท่อนแขนตัวเองหลับไปจริงๆหันไปจ้องพิจารณาดูแล้วก็บังเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกจะดูเยี้ยมหันบึกบืนเรื่องเ ก, ก้าแกร่งขนาดไหนก็ตามผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละจนกระทั่งซุกเดือดทั้งสองกระป๋องและใช้เชื้อเพลิงที่ยังลุกแรงเขียวจ้าอยู่ ต้มน้ำในหม้อสนามเล็กๆเพื่อใส่กาแฟผงสำเร็จรูปเมื่อต้มกาแฟเสร็จจึงก้มลงไปเขย่าปลุกเรียกร่อนอย่างสุภาพอ่อนโยนคริสติน่าลืมตาสีฟ้าสว่างพลุงขึ้นพร้อมกับะงกศีสษะชันคอหล่อนมองไปรอบๆจากรัศมีแสงไฟแอลกอฮอล์ที่ลุกสว่างอยู่อาการงงๆเหมือนจะลำดับภาพให้รู้ว่าตนเองขนาดนี้ ตกอยู่ในภาวะใดที่ไหนกันแน่แล้วอิจใจนั้นก็รีบดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีนี่นี่ฉันเผลอม้อยไปนานสักเท่าไหร่นี่ก็ราวครึ่งชั่วโมงอะโอ้โหคุณเพียมากคริสผมก็เลยไม่อยากรบกวนก็เลยจัดการเรื่องสเสบียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วอรองท่องกันก่อนเถอะเอากำลังไว้ หลังจากนั้นเราก็จะนอนพักกันที่นี่แหละนอนกันให้เต็มอิ่มเลยแล้วถ้ายังมีโอกาสตื่นขึ้นอีกก็ค่อยคิดหาลู่ทางกันต่อไปแต่ฉันไม่หิวอะ่ะบุษณ์นาอย่าดื้อ น, นะคุณแล้วก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังหมดกําลังใจคิดซะว่าเรามาปิกนิกกันก็นแล้วกันจะหาบรรยากาศที่ไหนได้วิเศษไปกว่าที่นี่อีกแล้วอ่ะคุณใตพ้พิภพโลก ธรรมชาติวิจิตพิสดารที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนย่างก้าวเข้ามาถึงทั้งนั้นเหนือกว่าอะไรก็คือ อ, น, อนาคตไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเฮย้ยมันจะมัดคุณซื้อหาสถานที่และสถานการณ์แบบนี้ได้ที่ไหนไม่ว่าคุณจะจ่ายสักเท่าไหร่หล่อนยิ้มประสานสายตาเขาหนิ คุณไม่ได้เป็นเด็กเลวไหลซุก ส, สนไม่เป็นเรื่องอย่างที่ฉันคิดไว้แต่แรกหรอกนะเมื่อยามเําเป็นจริงๆมาถึงคุณเป็นลูกผู้ชายนักสู้ผู้มีอารมณ์รื่นเริงแจ่มใสคนหนึ่งขอบคุณมากบุษขอบคุณจริงๆที่คุณทำหน้าที่สุภาพบุรุษอย่างดีที่สุดระหว่างที่ฉันเผลอดับเครื่องไปชั่วขณะม 見緊就見 ，OK。